านไทยงูขาวนานมาแล้วมีราชาคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในวังใหญ่ประชาชนรักเขาเขารู้จักทุกอย่างในอาณาจักรของเขาทุกคืนหลังจากมือค่าเขาจะได้รับการเสิร์ฟอาหารโดยคนใช้ที่เขาเชื่อใจแม้แต่คนใช้คนนั้นก็ไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไร วันหนึ่งเขาตัดสินใจอยากจะรู้เขาเปิดฝาออกมาแล้วเห็นงูขาวที่ถูกฆ่าทําเป็นอาหารข้างในเขาแอบตักขึ้นมากินแล้วหลังจากนั้นเขาได้ยินเสียงคุยกันข้างนอกเขาได้ยินโนดังแอนคุยกันเรื่องแหวนที่หายไปของราชินีซึ่งเป็ดใกล้ๆบ่อน้ำกินมันเข้าไปเขาจับเป็ดตัวนั้นแล้วเอาแหวนมาโดยการฆ่ามัน และส่งแหวนคืนให้ราชนีราชาถามเขาว่าต้องการรางวัลอะไรท่านราชาหม่อมฉันก็แค่ต้องการมา้าและเงินเดินทางหม่อมฉันอยากจะเดินทางออกไปสำรวจโลกตอนนี้เขามีพลังในการฟังสัตว์ได้เขาเดินทางอย่างมีความสุขผ่านป่าไปเมื่อเขาเขาไปเจอปลาสามตัวที่โดนสาหล่ายพัน โอ้เราโชคร้ายมากมากเร า, าตายอย่างทำอะไรไม่ได้แบบนี้คนใช้ใจดีก็หยิบปลาขึ้นมาแล้วส่งคืนไปในแม่น้ำเราจะจำนายแล้วไม่ลืมบุญคุณของนายเลยเราจะตอบแทนเขาขี่ม้าต่อไปตามทางเมื่อเขาได้ยินเสียงตะโกนของชายคนหนึ่ง<อ>เขาเห็นราชามดที่เนินมดระหว่างทาง ทำไมพวกซุ่มซ่ามนั่นไม่เลิกยุ่งกับเราสักทีนะไอหมาโง่นั่นกับเกือกหมาโง่โงหนักๆนันั่นมันกระเทือบเกี๊ยบประชาชนของฉันเราจะจำนายเอาไว้ไม่มีวันลืมเลยคนใช้เลี้ยวเข้าไปในป่าลึกเข <c oughs> าเห็นอีกาแก่สองตัวที่กำลังโยนลูกน้อยของพวกเขาเพื่อที่จะเอาตัวรอดอีกาตัวน้อยร้องวยความกลัว และกระพือปีกอย่างไม่มีทางเลือกอ๋อเราโชคร้ายมากๆเราต้องหาอาหารกินเองและเรายังบินไม่ได้เลยเราจะทำอะไรได้นอกจากนอนหิวตาที่นี่คนใช้ลงจากมา้าและข้าม้าของตัวเองด้วยดาบของเขาอิกาสามตัวกระโดดมาและกินเนื้อมา้าและมองมาที่คนใช้เราจะจำเธอไว้ คนดีจะต้องได้ผลดีตอบแทนเขาไปถึงเมืองใหญ่ที่คนขับรถม้าของราชาประกาศกับประชาชนว่าลูกสาวของราชาต้องการสามีแต่ถ้าใครก็ตามที่จะได้ตัวนางไปเขาคนนั้นต้องทำภารกิจที่ยากมากและถ้าทำไม่สำเร็จคนนั้นจะต้องตายคนใช้ไปที่ส่วนของวังเขาเห็นเจ้าหญิงและตกหลุมรัก เขาไปหาราชาและบอกว่าอยากจะแต่งงานกับองหญิงเขาถูกพาตัวไปขึ้นเรือและนำตัวไปที่กลางทะเลราชานั่งเรือที่ใหญ่กว่าตามไปหลังจากนั้นราชาโยนแหวนของเขาลงน้ำและให้ความท้าทายกับเขาถ้าเจ้ากลับขึ้นมาโดยไม่เจอแหวนเจ้าจะถูกโยนกลับลงไปซ้ำๆจนเจ้าตายอยู่ในเกลียวคลืน่น คนใช้ที่ตกใจและหมดหนทางยืนอยู่บนเรืออย่างไม่มีทางเลือกมองลงไปในน้ำและเห็นปลาสามตัวมาที่ผิวน้ำแล้วเอาหอยมาให้เขาพวกมันยิ้มและกลับลงทะเลไปคนใช้เปิดหอยมาเจอกับแหวนและกลับไปเจอกับราชาแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าหญิงโมโหเลยตั้งภารกิจอีกอย่างให้เขาทำก่อนที่นางจะยอมแต่งงานกับเขาเจ้าหญิงที่โกรธ าคนใช้ไปที่สวนนางโปรยเมล็ดข้าวฟางสิบกระสอบทั่วสวนจนถึงกลางคืนพรุ่งนี้เช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเจ้าจะต้องเก็บมันขึ้นมาให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่เมล็ดเดียวคนใช้หมดหวังและนั่งกลางเมล็ดข้าวฟางเขาหลับตาค่ำคืนผ่านไปและเช้าก็มาถึงเขาลืมตาขึ้นมาและเห็นกระสอบสิบกระสอบ และมีมดเป็นพันตัวยิ้มรอเขาอยู่เขาดีใจที่เห็นเจ้าหญิงมาถึงเจ้าหญิงตกใจและยังคงไม่พอใจ <c oughs> เจ้าหญิง <c oughs> ก็ยังคงไม่ยอมใจอ่อนสักทีมีอิก ง, งานหนึ่งที่เจ้าต้องทำนะข้าจะได้แต่งงานกับเจ้าได้เลยท่านท่านต้องการอะไรหมอมชันจัดการให้หมด ต้องไปเอาแอปเปลิลทองจากต้นไม้แห่งชีวิตมาคนใช้ตกใจแล้วออกจากอาณาจักรไปเพื่อจะไปหาแอปเปลิลทองเขาเดินทางเป็นวันๆไม่มีจุดหมายเพราะเขาไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นอยู่ไหนเขาเหนื่อยลงเรื่อยๆรองเท้าก็พังลงเขาตัดสินใจนั่งพักใกล้ต้นไม้หลับตาของเขาลงหลังจากนั้นเขาเลืมตาและเจออีกาสามตัวที่เข่าของเขา และพบ ว, ว่าตัวเองเจอแอปเปิลทองเราคืออีกาส3มตัวที่เธอช่วยไม่ให้เราเหิวตายไงยตอนนี้เราโนแล้วเราได้ยินว่าเธอหาแอปเปิลทองเราก็เลยบินข้ามทะเลไปสุดขอบฟ้าเลยและไปที่ต้นไม้แห่งชีวิตและเอามันมาให้กับเธอด้วยความสุขเขาเอาแอปเปิลทองกลับไปให้เจ้าหญิง ที่สุดท้ายก็ใจออดเมื่อได้เห็นแอปเปิลนางพาเป็นสองชิ้นและกินด้วยกันพวกเขาแต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข